ลูกรักของพ่อเทพน่าโน้นพ่อพูดยาวไปลูกคนอยากจะตั้งใจเรื่องที่พระราชพระบาทสมเด็จีจ่หัวทรงมีพระราชปารมเป็นว่าวันนั้นนอกจากเรื่องศูนย์แล้วก็ยังมีเรื่องปารมเรื่องการสรงพระคนยาก จ, จน ว่าคนที่ยากจนนั้นถ้าเราจะให้อย่างเดียวมันก็มีประโยชน์น้อยแล้วก็จําจะต้องให้ถ้าเขาจะอดตายเราก็ต้องให้ไปยั่งชีวิตไ้ก่อนถ้าประโยชน์ใหญ่จริ ง, รงๆแล้วก็ควรจะจัดหาคือชี้แจงในการประกอบอาชีพให้เขาแนะนําให้อันนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หวัวสมมอบให้อาจารย์ประวินปุณศรี คณะบดีกเกษตรศาสตร์เป็นผู้ไปช่วยงานในเรื่องนี้แล้วก็มีนายทหารมีทหารหน่วยปฏิบัติจิริยธรรของศูนย์สงครามพิเศษก็ไปช่วยเรื่องนี้เป็นอันว่างงานของเรานี่โรกรักมีฝ่ายช่วยเหลือมากน่าชื่นใจ อันนี้สําหรับที่ทรงมีพระราชปารมต่อไปก็เรื่องการอ่างน้ําในเขตจังหวัดอุทยธานีในเขตจังหวัดอุทัยธานนี้ที่หาน้ําแหล่งน้ำยากจริงๆแต่ว่าในตอนนั้นพ่อก็ยังไม่ได้สํารวจ น, นั่นลูกเปราะนั้ว่าวันนั้นพ่อเห็นน้ําประไทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเวลาที่พ่อลากลับ พระองค์ทรงจัดว่าบัณฑิยขาดาพรรษาพระนายพรรษาถ้าไม่ไปก็เกรงว่าจะขาดพรรษาเห็นว่าพระองค์มีความเหน็ดเหนื่อยมากพระเด็จปรพระราชฐานก็ไม่ได้ไปเที่ยวไปงานทุกอย่างความจริงในระหว่างยูตอยู่ที่นาราที่วดัดเมื่อวันที่ 12, สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยี่สิบ พ่อและคณะของลูกบางส่วนไปพบกับพระองค์ที่จังหวัดสงขลาต่อมาพระองค์ก็ให้ไปพักที่นาราธิวาสร่วมกันที่เห็นว่าเมื่อไปที่นั่นก็ทราบชัดว่าพระองค์ไม่มีเวลาหยุดมีงานทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าอย่างพ่อเองพ่อก็ทนไม่ไหวแังน้าประ ท, ทัยเขาประบาดสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงหวงใยอย่างยี่ จัดอาหารมาเลี้ยงพวกเราทั้งอ น, นะทั้งลกูกทั้งพ่อสำหรับพ่อทรงให้ผลเอกสารานพระตยาคุณใช่หรือไม่ใช่เราเป็นคนพ่อจาไม่ชัดมาดูแลเรื่องอาหารตลอดเวลานี่เห็นน้ำพระทัยในความเมตตาปรานีของพระองค์แล้วยอย่างลกรักไทยเห็นแล้วก็จำไว้ทำอย่างพระองค์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 ขอลูกจมปิดหูลูกจมปิดตาลูกจมปิดใจอย่ารับคำดังสอมรายการทั้งคำนินทาและสรรเสริญถ้าลูกไปรับมันมาหร่ลูกจะมีแต่ความทุกข์ใจเมื่อนั้นพูยกันต่อไปนะลูกรักนี่พ่อพูดกับลูกของพ่อ พ่อไม่ได้พูดกับคนอื่นที่เขาคิดว่าเขาไม่ใช่ลูกของพ่อหรือว่าที่เขาคิดว่าเขาเป็นปฏิปักษ์ต่อพ่อแต่พ่อน่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นปฏิปักษ์ต่อใครใครเขาจะคิดยังไงเป็นเรื่องอารมณ์จิตของเขาเราจะไปยุ่งเขาอยากจะด่าก็ให้เขาด่าเขาอยากจะสังเสริญก็ให้เขาสังเสริญ ให้ใหา่จะนินทาแก่งแกลงก็ให้เขานินทาแกลงแกลงให้มันเป็นเรื่องของเขาเราอย่ากเกี่ยวใจของลูกจะมีความสุข เ, เรื่องรับคำนินทารับคำตำเสิรมี่พ่อรับมาแล้วมันครุ่มและเกินลูกรักทำให้ไม่สบายทั้งกายและก็ไม่สบายทั้งใจตอนตอนนี้เรามาคุยกันไป เป็นนั้นว่าวันนั้นเรื่องของผู้พิงแอเขาเรื่องเครื่องของสวนจิตก็ของผ่านไปความจริงเรื่องมีมากกว่านี้แต่ว่าพ่อนึกไม่ออกใจมันสั่นลูกทิสระก็เวียนตาก็ลายเพราะว่าที่นั่งก็ไม่สมบายนะักไม่มีอะไรจะพิงมันเป็นห้องนอนแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อลูกแล้วพ่อทำได้ทุกอย่าง เมื่อกลับออกมาแล้วต่อมาได้ทราบว่าวันที่หนึ่งมีนาคมขรา บ, บาทสมเด็จยี่หัวทรงมีความประราชประสงค์จะพบพ่อที่ภูพิงพระราชินิเวศยังหวัดเชียงใหม่วันที่สามสิบของก่อนเดือนมีนาว่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ที่ไม่ใช่มีสามสิบพ่อเดินทางไปไปพักที่ดอยปุย กับท่านพลอากาศโทหมอมราชวงศ์เสริมศสวรรษเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเกลือสารวัตรทหารอากาศก็บินสี่ตาคลีและก็จ่ได้สิบตำรวจตะกูลตำรวจประจําที่เจ้าหน้าที่ภูมิคับกองภูมิคับกับแท่งกรุนรามอบมาให้เป็นตำรวจประจําวัดนอกนั่นก็มีคนหลายคนมีคณะของลูกๆติดตามไปด้วยพอประมาณ เพราะว่าในที่นั้นรับคนพักไม่ได้มากนะักไปถึงที่นั้นบนยอดเขามันก็หนาวลูกรักเวลานั้นพอเหน็ดเหนื่อยจากการแจกของแ ต, แต่เดือนธันวาคมไม่มีเวลาว่างกเพราะว่าบรรดาลูกทุกคนก็ทําร่วมกับพ่อก็ทราบกันอยู่แล้วพ่อกินข้าวสองเวลาร่างกายมันก็ไม่ดี แต่พ่อทำไปนั่นก็เพราะกําลังใจอย่างเดียวกําลังกายมันเกือบจะไปไม่ไหวต้องใช้กําลังกายช่วยกําลังใจมันจึงไปไหวขณะที่พ่อจะไปเฝ้าพระบาทสมเด็ใจเจ้หัวที่ภูพิงพระราชนิเวศลูกรักคงไม่ทราบว่าไข่ไม่กินพ่อมาเดือนเศษแล้วพ่อเดินทางไปในที่ทุกแห่ง ที่ลูกเห็นหน้าตาพ่อยี่มแย้มแจ่มใสแสดงการรื่นเรองและแข็งแรงนั่นมันเรื่องกำลังใจนนะลูกไม่ใช่กำลังกายกำลังกายจริงๆมันจะไปไม่ไหวลูกคงจะสงสัยว่ากำลังใจช่วยกำลังกายได้ยังไงถ้าลูกสงสัยข้อนี้แล้วก็พยายามปฏิบัต ตามคําสอนที่พ่อสอนลูกไว้ทำไปเมื่อเข้าจุดถึงที่สุดของอารมณ์ลูกจะมีความรู้เองว่ากำลังใจมีความสำคัญกว่ากำลังกายกายเพลียแท่ใจกำลังดีสามารถจะแบกกายไปได้ต่อมาก็คุยกันวันนั้นเมื่อถึงวันที่หนึ่งมีนาคมสอง1้ายิบเอ็ด ท่านรองราชยศขาพาวาดได้มาแจ้งบากวา่าพระบาทสมเด็จเจ้าอหัวส่งให้เข้าเฝ้าเวลาสิบแปดนาฬิกาทราบว่าวันนั้นตอนเช้าพระองค์ทร ง, สงเสด็จสเสด็จไปที่จังหวัดแม่ห่องสอนที่เราไปกันมาก่อนเวลาใกล้สิบแปดนาฬิกาเสียงหอ ม, มารถเขาก็มารับ พ่อเข้าไปที่ทักษิณพระราชนิเวศไปนั่งคอยประเดียวเดียวก็มีคนมาบอกว่าเวลานี้พระบาทสด็จเจ้อยหัวสมสเด็จลงมาห้องรับแขกเป็นห้องพิเศษแล้วพ่อคิดว่าพระองค์กลับมาประเดียวเดียวคงยังไม่ได้ส่งน้ำยังไม่มีเวลาพักผ่อน เห็นพระพักตร์ขอพระองค์แสดงการปลียร็รู้สึกว่าเครียดทางร่างกายวันนั้นไปดันว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็ทรงเครียดพ่อก็เครียดเพราะพ่อเครียดจากไข้ไปกินพ่อพระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็ทรงเครียดเพราะความเหน็ดเหนื่อยไม่มีเวลาหยุดยัง้งหวังจะให้พระสบนิกรคําพระองค์มีความสุข วันนั้นก็เลยต้องคุยกันแบบเครียดเครียดรู้สึกว่าพระองค์ก็ไม่ค่อยมีความเรื่นเริงพ่อเองก็หมดความเรื่นเริงเพราะว่าต้องบังคับกำลังกายเต็มที่ด้วยกำลังใจสมองที่จำเป็นจะต้องใช้เป็นก็ใช้ไม่ไหวมันมืดตื้อไปหมดลูกรักไม่ใช่ประมาะคําว่าประมาะสำหรับพ่อไม่เคยมีในชีวิต แต่ว่าจิตมันต้องมาคุมกำลังกายมันก็ลื่นเริ ง, เรงไม่ไหวอันดับแรกเมื่อพระองค์ทรงพบพ่อท่านพระองค์ก็ทรงปรารภเรื่องการแจกของและการหาแหล่งน้ำตอนต้นพระองค์ทรงจัดขณะนั้นรู้สึกว่าท่านพีเสเดชคือมอมเจ้าพีเสเดช ทรงเสด็จระบัตเสด็จประทับอยู่ด้วยทรงตรัสว่าเวลานี้จิตใจมันวุ่นวายและเกิดมันพุ่งสั่นอยู่ภาคเหนือจะวางแผนภาคกลางท่านพี่สเสด็จทรงตรัสว่าตรัสว่าพาวางแผนภาคาภาคภัยสานด้วยแล้วก็ภาคเหนือด้วยจิตใจมันพุ่งสั่นมากเมื่อเวลาไปตรวจภูมิประเทศมันแล้ว พระองค์ก็ส่งชี้ไปที่เพ่อนพี่สเสด็จเมื่อกลับมาก็ต้องเขียนแผนผังให้เขานี่คนนี้พุ่งสั้นมากท่านพี่สเสด็จยิ้มแล้วก็ถอยหลังโกรธออกไปจากห้องนอกจากนั้นก็เหลือกับพ่อกับพระองค์เท่านั้นพระองค์ก็ทรงมีพระปรารภถึงเรื่องพระกรรมฐาน ที่พระอาจารย์วันเคยถวายไว้พระอาจารย์วันเคยนิมนต์อาจารย์วันเข้าไปแล้วทรงให้อาจารย์วันเทศพระอาจารย์วันเทศประมาณสักชั่วโมงครึ่งถ้าพ่ะจําไม่ผิดรวมความแล้วก็กล่าวรบประอิทธารมณ์การนิธารมณ์คําว่าอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ชอบใจอานิธารมณ์อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจให้พืงกําลังใจไว้ท่านั้น สำหรับท่านอาจารย์เทศก็ทรงก็ได้ปรารภ ก, กับพระองค์ถวายพระพรไว้ว่าดาวกระแสหัวใจน้ําใจเหมือนก็น้ําที่ในตุ่มมันนอนนิ่งแต่แต่ก่อนมันก็นอนก้นมองดูใสถ้ามีอะไรเข้าไปกวนน้ํากับเพื่อนแต่ก่อนมันก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกับจิตใจของเราจริงๆแล้วมันมีความใสสะอาด แต่ที่มีความวุ่นวายด้วยการแต่ต่างๆก็เพราะอาศัยที่ใจมันขุ่นพรอมน่ากิเลสท่านขอร้องให้พ่อจัดทำเทพถวายพ่อรับปากว่าจะทำเทพถวายสำหรับเรื่องนี้ขอยกไว้เพราะเทพยังไม่ได้ทำเวลานี้ทำแล้วยังไม่ถึงเรื่องนั้น ต่อมาก็ส่งปรารภถึงเรื่องการแจกของเทพที่บรรดาลูกๆ ก, กำลังแจกของกันเรียกหาของสิ่งนั้นสิ่งนี้กันเสียงขรลมเพื่อจเจร็วทันใจบุคคลผู้รับนีน้นำใจของลูกทุกคนดีอย่างนี้นะเราเป็นผู้ให้แต่เราก็ต้องเอาใจขงขงบุคคลผู้รับ อย่างนี้เป็นเรื่องดีที่สุดลูกรักจริยาแบบนี้อย่าทิ้งเสียมันเป็นความดีที่จะพาให้ลูกทุกคนของพ่อไปนิพพานได้พระองค์ทรงตัดว่าที่แรกคงคิดว่าเป็นเทปกรรมฐานนอนลงไปเปิดเทปฟังเขารู้สึกตกใจว่าเอ๊ะที่มาเรื่องอะไรกันในที่สุดก็ฟังไปจนจบ แล้วทรงมีพระราชปราบ่วบ่าหลวง พ, อพ่อฝึกเด็กๆดีจริงดีมากเด็กพวกนี้ดีมากหลง พ, อพ่อฝึกให้เขารู้จักคุณในการเป็นผูส้สงเคราะห์มีความเมตตาปราณีเด็กพวกนี้น่าสำสริญแต่ว่าสำนวนนี้ถ้าผู้พ่พอพูดพูดไม่ตรงกับพระราชดำรัสก็ขออภัยพ่อด้วยนะ พ่อถือ ใ, ใจความเป็นสำคัญพ้าํำนวนการจ่ดคมบาทสทีจจ่เจอหัวนี่มีํำนวนสลาสลยมากพ่อยังไม่เคยเห็นใครที่ใช้ํำนวนได้สลาสลวยละเอียดละออยอย่างพระองค์ได้นี่เป็นจุดหนึ่งที่รูรักของพ่อทั้งหมดควรจะภูมิใจ ว่าความดีของลูกที่ทําไปแม้แต่คนอื่นถ้าเขาไม่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจหัวก็ยังทรงเห็นเราเองแลนะคณะของเราเองก็เห็นทว่าวดาหรือพรมหรือว่าพระที่เดินเข้านิพพานเป็นแล้วท่านก็เห็นถ้าพ่อพูดอย่างนี้มีคนก็เคยเอาเรื่องไปกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจหัวซึ่งในวัน ไหน่หน้ออาจจะเป็นที่สวนจิตไม่ว่ า, า จ, ะะจะเป็นที่ผูกพิงพ่อจำไม่ได้ถนัดไม่ใช่เป็นที่ผูกพิงที่พระบาทสมเด็จเจ้่หัทรงมีพระราชดำนามัดว่ามีคนบางคนเขาพูดว่าเวลานี้มหาวิระชอบกดฤทธิอเดชมากเขารารอบในระหว่างที่ พ, อพ่อป่วยหนัก มาปีพศ2515คือว่า2513ที่เจริญก็ม า, า่านขึ้นไปบนธรรมะพ่อไอเทียนหนักแล้วก็พ่อปรารพเรื่องนั้นกับลูกลกพอดีคนนั้นเขาเอาเทปนั่นไปก็เลยบอกว่าพ่อนะอดริตรอดเดชมากพ่อก็ทูลพระองค์บอกว่าเขาจะนินทาว่าร้ายก็ช่างเขามันเป็นเรื่องของเขา พ่ออยากจะกราบคุณว่าเมื่อมีฤทธิ์ก็ควรยาวฤทธิ์ออนอ่อนเมื่อมีเดชก็ควรยาวเดชออนอ่อไม่ควรจะเก็บฤทธิ์เก็บเดชไว้เพื่อให้ไรประโยชน์แต่ถ้าพ่อพูดไปอย่างนั้นก็เกรงว่าพระองค์จะกัดเทือกสะเทือนพระราจหรทยัยเพราะว่าถ้าอยคํานั้นไม่ใช่ถ้อยคําของพระองค์เป็นถ้อยคําที่คนอื่นเขาว่ามา องค์ก็มาเล่าสู่กันฟังทรานพ่อแล้วเมือ่อหลวงพ่อบอกว่าช่างเขาหลวงพ่อถือช่างเป็นสำคัญแล้วก็กถวายเพือพ่อขอว่าการนินทาว่าร้ายไปเรื่องธรรมดาถูกมันมหนักตัวหนักแล้วไม่เห็นมันดีไม่มันชัว่วกพราด้วยคําของคนพระ อ, องค์เจเนทรงแต่ทว่าผมก็เหมือนกันครับมาก่อนนี้เขาบอกว่าผมฆ่าพี่เวลานี้เขาบอกว่า เขาเขาเขียนหนังสือว่าผมฆ่าพ่อตาเป็นหนังสือที่เวียนกันไปถึงเจ็ดหน้ากระดาษพิมพ์ถามยังได้ตรัสถถามว่าฆ่าอย่างไงที่เขากล่าวท่านตรัสทรงแต่รู้ว่าเขาบอกว่าพ่อตาผมป่วยเป็นไข้ผมก็เอาเล่ากรอกฝากแล้วก็พาพ่อตาวิ่งในที่สุดพ่อตาก็ตาย โรงก็ทรงตัดว่าเรื่องนี้ไม่มีความสาคัญผมเรื่อยๆถือเป็นเรื่องเรืคํยๆคำเรื่อย็หมายความไม่สนใจในเมื่อเราดีซะแล้วใครเขาก็จะว่าชั่วกับเป็นเรื่องของเขาเราก็ไม่ชั่วตามปากเขาถ้าเราชั่วใครเขาจะมาชมเราว่าดีเราก็ไม่ดีตามเขาว่านี่ตามพระพุทธฎีกาพระองค์สมเด็จตัสมมาสมพุทธเจ้าทรงตัดไว้อย่างนี้ ฉะนั้นขอลูกรักทุกคนเมื่อฟังถ้อยคํานี้แล้วจนนําพระราชจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จเจ้หัวไปปฏิบัติจิตอย่างนี้เขาเรียกว่าโอเบคขาจิตถ้าจะเรียกเป็นวิปัสสนาญาณเขาเรียกว่าสังขารโอเบคขาญาณคนที่มีกําลังใจที่สังขารโอเบคขาญาณุกคนประเภทนั้นไปพระนิพพานไม่ยาก นี่มาพูดกันถึงเรื่องนี้ผ่านนี่พ่อยมีเรื่องอะไรจะพูดไหมอขอพูดเรื่องประโยชน์ในการแจกของกันก่อนเมื่อมีพระราชปรารมงเสียงของลูกที่แจกของให้องาทรงจัดพ่อถวายเทพไปเรื่องหนึ่งทึงการแจกของและคนมารับคนมารับบางทีไม่ใช่คนจน เป็นคนที่มีกินมีกินมีใช้ไม่จนจะมารับของคนจนจริงๆแต่ไม่มารับของแต่เทพที่จะไหวไปให้พูดยาวกว่านี้พระองค์ก็ทรงตรัสว่าวันนั้นผมนอนฟังคิดว่าหลวงพ่อหรือพระมหาวิระคนเจะคิดว่าเราไม่โดนท่านบอกว่าท่านนอนหเราะ อ, อยู่คนเดียว แล้วคิดว่ามาหาวิระหรือว่าหลวงพ่อนี่เขาจะคิดว่าเราไม่โดนเราโดนมาแล้วเคยถามแนวเพอเขาว่าคนจนที่แต่งตัวไม่ดีทำไมไม่มีมารับของแจกเห็นดีแต่คนที่แต่งตัวดีๆแต่ทรงแต่ว่าแนวเพอตอบว่าแนวเพลเขาเห็นว่าคนบุคคลประเภทนั้นแต่งตัวไม่เรียบร้อยเขาเลยไม่นำมารับ เป็นอนว่าแม้แต่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็ทรงโดนมาแล้วไม่กันเท่าที่พวกเราโดนกันมาแล้วอย่างนั้นก็จงอย่าท้อแท้ใจคิดว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงมีบารมีใหญ่กว่าพวกเราอย่างโดนพวกเราถ้าอยาเปรียบกับต้นไม้กระเมือกกิ่งหรือใบก้านหรือใบไม่ใช่ต้นไม่ใช่กิ่งนี่กาลังน้อยทําไมจะไม่โดน โดนแล้วก็จงวางเฉยนี่พ่อก็คิดไม่ออกเวลาที่กำลังพูดเนี่ยมันเวียนที่ศัลย์แล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างที่พระองค์ทรงตัดมันนึกไม่ออกนี่รู้รักพ่อไม่ได้บันทึกมาเอาแต่เพียงที่จำกันได้ก็แล้วกันนะเพราะว่าพระองค์ทรงตัดหลายเรื่องหลายประการด้วยกันตอนหนึ่งก็มาตรารบเรื่องน้ำ พ่อปลารบเรื่องน้ําที่อที่บ้านทงติวพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงตรัสว่าสําหรับเรื่องน้ําที่บ้านทงติวน้ําตกพระองค์จะทรงสเสด็จไปดเูเองถ้าเห็นสมควรโดยการใดก็จะสั่งทำพ่อจึงได้ถาวายพระพรว่าถ้าพระมหาวิภพสเสด็จไปก็คงจะทําทสวยและแข็งแรงกว่าแต่มา ถ้าจมาสั่งจะทำก็คงจะใช้เป็นเขื่อนดินธรรมดาธรรมดาแบบสมัยคุณปู่ของพ่อเคยทำมาเพราะในเวลาที่ปู่ท่านยังหนุ่มไม่แก่เกินไปก็มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายท่านราชการตั้งให้ท่านเป็นผู้พวกคุมอาณาจักรเล็กๆอาณาจักรหนึ่งเป็นบริเวณแคบๆ แด้คุณปู่ท่านเป็นคนขยันเห็นลำรางลำคลองไหนพราะจะกักกันน้ําไว้ทําเพื่อทางกเกษตรได้ท่านจะดูผลและดูแรงท่านก็เกณฑ์บรรดาประชาชนบุคคลที่มีประโยชน์ร่วมกันไปทําเหมืองฝายเล็กๆเพืเ่อคันดิ้งคันน้ำํำแล้อมาทําแล้วก็คอยทะนุบํารงทุกๆปีในที่สุดคือเมืองฝายนั่นก็คงที่ไม่ต้องธนุบํารงต่อไป เป็นอันว่าไม่ต้องเสียเงินว่าประมาณสำหรับบ้านทุ่งติ้วนี่ก็เหมือนกันเมื่อท า, านทหารก็แจ้งบอกว่าจะต้องใช้เงินประมาณแสนบาทพ่อตรวจดูกระแสน้นำและทางน้ำเดินเห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินถ้าจะใช้แรงงานคนชาว บ, บ้านนั้นช่วยกันทาเพียงสองสามวันงานก็เสร็จ เพราประโยชน์เกิดแก่เขาเพียงถือข้าวมากินป็นคนละห่อเท่านั้นและประโยชน์บาทิ่ได้คือความอุ่นหนาฟ้าข้างใดน้ําใช้ทั้งปีเพราะเป็นกระแสน้ําตกความมั่งมีสีสุขุยาเกิดขึ้นพ่อก็มานั่งคิดเหมือนกันว่าทําไมท่านที่มีความมีส่วนเกี่ยวข้องทําไมยังไม่ช่วยกันคิดเรื่องนี้คิดกันเรื่องเดียวแต่เงินเงินเงิน เรียว่าเงินง็ประมาณสาหรับเงินของพ่อเนี่ไม่ใช่เงินงบประมาณเป็นเงินของชาวบ้านที่อดทิศเป็นได้เพียงพ่อบอกว่าถ้าหากว่าพ่อเห็นสมควรพ่อก็จะบอกคุณเงินแสนบาทไปให้ถ้าพ่อไม่เห็นสมควรพ่อก็ไม่ให้กลายเป็นความเข้าใจผิดข้อหน่วยราชการจังหวัด อ, อ, อะไรแล้วที่เกิดใหม่ ให้จังหวัดนี่อะไรเชียงรายแล้วก็จังหวัดอะไรที่ก็าแยกขนมมาคอ น, นิคไม่ออกนะจังหวัดพะเยาท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาเข็นนักศึกษาถามพ่อว่าทราบว่าเงินแสนบาทผ่านมาทางท่านแล้วเวลานี้เก็บไว้ที่ไหนเพราะาท่านได้เป็นกรรมรการจะได้เอาเงินนี้ไปจัดการให้เสร็จภายในฤ ด, ดูแล้งแล้วก็ต่อมา กองพลสี่ส่วนหน้าที่เคียงคามีพลตรีพร้อมพรอมผิวหน่ยุยก็เป็คินาสีมาทํานองนั้นเหมือนกันพ่อก็แจ้งไปบอกว่าเงินจำนวนนั้นพ่อยังไม่ได้หาถ้าพ่ออยหาจริงๆถ้าพ่อเห็นสงควรแล้วก็พ่อหาวันเดียวก็ได้ถ้าเห็นว่าไม่สงควรยายจ่ายเงินคนใช้วิชาสมัยคุณปู่ก็ร้องพร้มพ่อไปทา ว่าจะเกิดผลในที่สุดคนสี่ส่วนหน้าก็ใช้ทำแบบนั้นแต่ใช้เทสเตอร์ทำดีกับสมัยปู่พ่อมากต่อมาเมื่อต้นเดือนมีนาคมท่านเสนาธิการของคนพร้อมด้วยคณะนายทหารก็มาแจ้งบอกว่าเวลานี้ทำเสร็จแล้วครับก็เท่านั้นแหละลูกรักถ้าใช้สมองกันชนิดพ่อคิดว่าคนโบราณ เขเรียนนสือน้อยเขาไม่มีปริญญาชั้นประถมชั้นมัธยมก็ไม่มีแต่ว่าใช้ปัญญาแค่คนโ ง, โง่ๆก็สามารถจะกักกันน้ำได้สำหรับคนปัจจุบันนี้พ่อไม่เข้าใจว่าทำยังไงจึงจะต้องหางบ่ประมาณกันเสียเรื่อยถ้าเราจะใช้แรงงานช่วยกันตามนั้นมันก็มีผล เอาล่าสำหรับตอนนี้มองหน้าเทพโหมดเสล้มีโลกฟังเทพมนต์สองต่อไปจะได้มีประโยชน์ทั้งในการฟัง